ตราบใดยังมีอยากตราบนั้นสติยังไม่เต็มตอนไหนเกิดความทยานอยากแน่นอกจองไปข้างหน้าว่าจะเอาท่าเดียวตอนนั้นคุณไม่เหลือสติเลยตอนไหนระลึกได้ว่าแรงทยานอยากกำลังแล่นพล่านไปทั่วทั้งใบหน้าทั่วทั้งอกทั้งใจ เหมือนตัวจะพุ่งออกไปเอาสิ่งที่ต้องการอยู่รำไรตอนนั้นคุณเกิดสติเจริญขึ้นบ้างแล้วตอนไหนระลึกได้ว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกหายใจเข้าออกอยู่ในอิริยาบถใดเห็นหน้าตาความทยานอยากแล่นพล่านอยู่ในอิริยาบถนั้นอย่างชัดเจนเรากับเห็นตัวเองแปลงร่างเป็นยางเหนียวที่ยืดออก หรือเหมือนเห็นร่างตัวเองเกิดอย่างเหนียวยึดไว้เกือบทั้งหมดเห็นเช่นนั้นละ่ะจิตคุณเข้าเขตปฏิบัติธรรมแล้วไม่ว่ากำลังอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานอารมณอยากมีหลายแบบให้สังเกตตามลำดับความอยาละเอียดเช่นไม่ได้อย่างใจผิดหวังอย่างแรงจะเกิดอารมณ์อยากอารวาส เจอคนถูกสเปกอุ่นแบบนี้หน้าตาแบบนี้จะเกิดอารมณ์อยากได้กามเจอสิ่งล่อตาล่อใจหน้าครอบครองจะเกิดอารมณ์อยากได้ของงานคืบหน้ามีสมาธิจดจ่อจะเกิดอารมณ์อยากทำงานงานสำเร็จหรือเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จจะเกิดอารมณ์อยากได้ดี ใจแห้งหรือฟังเรื่องผลของบุญอันน่าปลืม้มจะเกิดอารมณ์อยากได้บุญเห็นคนน่าสงสารสงควรช่วยจะเกิดอารมณ์อยากทําทานรู้สึกดีที่ใจสะอาดไม่อยากมัวหมองจะเกิดอารมณ์อยากรักษาศีลเกิดสติเห็นกายใจไม่ใช่ตัวตนจะเกิดอารมณ์อยากวางขัน ตราบใดยังมีอยากตราบนั้นสติยังไม่เต็มแม้แต่อยากวางขันอย่างไรก็มีอารมณ์อยากนำต่อไม่เห็นความอยากเห็นเยือใหญ่เมื่อนั้นสติค่อยเจริญคืบหน้าเห็นได้น้อยสติคืบหน้าน้อยเห็นได้มากสติคืบหน้ามากไม่ว่าการเห็นนั้น หมายถึงเห็นความอยากหยาบหยาบเช่นอยากอโลวาตหรือเห็นความอยากอันประณีตเช่นอยากวางขันแล้วมาเห็นอารมณ์อยากวางขันตัดอยากอันเป็นขันหนึ่งได้ในที่สุดก็จะวางขันได้จริงหมายเหตุผู้อ่านขันประกอบด้วย รูปเวทนาสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารและวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจคำว่าวิญญาณยังถือเป็นคำวัยพ์ของคำว่าจิตมีความหมายเหมือนกันใช้แทนกันได้